แล้วก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อเกิดมาในโลกบางพวกเนี่ยมีเเลวสัตว์บางพวกเลวสัตว์บางพวกประนีตถ้าสัตว์เหล่าใดเนี่ยนะโมหะกลุ่มรุมนะโมหะเนี่ยเป็นปัจจัยก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นเลวเ น, นะก็เป็นกลุ่มสัตว์ชั้นเลวเป็นสัตว์ที่คุณภาพนะเป็นมนุษย์ประเภทสองประเภทสามเป็นต้น คำวาประเภทสาก็คือเป็นแค่ว่าอยู่ในระดับล่างๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ยากความลําบากอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยนะใช้ชีวิตด้วยความทุรนทุรายกวนกวายเร่าร้อนทั้งกลางวันเร้าร้อนทั้งกลางคืนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ด้วยความทุกความยากความลําบากเพราะเพราะโมหะเป็นต้นและเป็นปัจจัยส่วนสัตว์เหล่าใดถ้าปัญญาเป็นปัจจัยทําให้สัตว์เหล่านั้นประนีตเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความ สุขสบายหรือสัตว์บางพวกก็ได้ดีสัตว์บางพวกก็ตกยากโลภะเป็นปัจจัยทําให้เขาทั้งหลายเนี่ยถึงความตกยากที่เขบอกว่าคนทั้งหลายที่หนังท้องตึงบ้างเนี่ยนะกับหนังท้องฟอเหี่ยวเลยเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากันบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่อดอยากหอยหิวมีมากกว่าก็าแสดงว่าโลภะเป็นต้นเนี่ยมีกําลังมากนําเกิดส่วนสัตว์ทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างผาสุข ปกติส <de> ุขสบายอันนั้นก็เป็นอโลพานาเกิดสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์ดีเพราะเมตตานําเกิดสัตว์บางพวกก็มีผิวพันธุ์ทามเพราะโทสะนําเกิดเนี่ยหมูสัตว์เหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามกรรมก็ตามแต่โลพาโทสะหรือตามแต่อะโลพาอโลพาแล้วแต่โทสะอโทสะโมหะอะโมหะโลพาโทสะโมหะอโลพาอโทสะอโมหะเป็นเครื่องจำเนกแกะแงงสัตว์ทั้งหลาย มันผู้ที่มีปัญญาเขาจึงสมาทานกำจัดลาอ่าจัดโลภะกาจัดโทสะกําจัดโมหะเจริญอะโลภะเจริญอ่โทสะแล้วก็เจริญอโมหะเนี่ยนะเพื่ออ่าเพื่อให้เกิดในที่เป็นสัตว์ที่ประณีตเป็นสัตว์ที่ได้ดีมีผิวพรรณงามส่วนสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยโลภะโทสะและก็โมหะกลุ่มรุมเกลือยกล้วกเขาก็จะอยู่ด้วยความเลวเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่เลว ตกยากเป็นสัตว์ที่มีผิวพันธ์ซามเป็นที่ตั้งแห่งความรังเกียจทั้งหลายเพราะพระองค์นี่เห็นหมูสัตว์ด้วยทิพจักษุเนี่ยนะด้วยทิพจักษุพระองค์ก็ส่องส่องเห็นสัตว์ที่อยู่ใน น, นรกแล้วก็ส่องแต่ว่ากรรมเหล่าใดหนอที่ทําให้เขามาเกิดในนรกท่องเห็นเปรตทั้งหลายแล้วกรรมเหล่าใดที่ทําให้เกิดเป็นเปรตมเหยมองเห็นเดรัจฉานทั้งหลายพระองค์ก็ส่องว่ากรรมเหล่าใดที่ทําให้เกิด ให้เขาเกิดในเดรัจฉานหรือเกิดมนุษย์ในชนชัน้นวรรณะต่างๆกษัตริย์พรามณแพร่สูตรอันนั้นมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยผิวพรรณดีผิวพรรณทรามก็ส่องถึงว่ากรรมเหล่าใดมาเป็นตัวขัสสันเป็นตัวจําแนกเป็นตัวที่นําให้เขาเหล่านั้นเกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นอีกว่าสุคติโลกสวรรค์เทวดาทั้งหลายแต่และชั้นเป็นต้นเนี่ยทำมาจากกรรมเหล่าใดอันพระองค์มองเห็นว่ากรรมเหล่าใดที่ทําให้สัตว์ไปสู่ วิบากทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์มองเห็นทั้งกรรมมองเห็นทั้งผลของกรรมมองเห็นกรรมทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมะเวชนียกรรมอุปชาเวชนียกรรมอัปปาราภเวชนียกรรมพระองค์ก็จำแนกว่ากรรมนี้เป็นครุกรรมอาจินนกรรมอาสนกรรมหรือกรรมที่จะเป็นกตัตาวาปณกรรมกรรมอันนี้จะเป็นชนะกรรมนำเกิดเป็นอุปปีและกกรรมเป็นอุปธรรมทกกรรมหรือเป็นอุปเฉทกกรรมเป็นต้นพระองค์ก็มองเห็นสภาพ ของหมูสัตว์เหล่านั้นผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอำนาจที่ผจญสุเนี่ยนะไม่ใช่สักได้ว่ามองเห็นภาพเฉยๆแต่ด้วยอนุภาพของตาที่ ท, ที่ประกอบกับปัญญาเนี่ยนะก็สามารถที่จะอย่างถึงขณะเดียวกันพระองค์ก็มองอสามารถที่จะมองเห็นโล ก, กาธาตุทั้งหลายพระองค์สามารถที่จะตรวจ ด, ดูโลกาธาตุหรือจักรวาลทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนมะขามป้อมบนฝ่ามือ มันเรียกว่าคนที่เอาเรียกว่าเอามะขามป้อมมารวมหรือมองเห็นส้มเนี่ยไม่ได้มองเห็นยากฉันใดพระองค์ก็เหมือนการจะตรวจดูโลกธาตุหจักรวาลสองจักรวาลสมจักรวาลสี่ห้0ส0บ0ี0ส0บสามสิบสี่สิบห้าร้อยพันหมื่นแสนจักรวาลจักรวาลใหญ่กลุ่มกลุ่มจักรวาลน้อยกลุ่มจักรวาลใหญ่หรือว่าจักรวาลใหญ่เนี่ยนะพระองค์ประสงค์จะดูเท่าใดพระองค์ก็เห็นเท่านั้น สามสุดแท้แต่พุทธประสงค์เนี่ยนะเพระาะนั้นพระองค์เนี่ยมองเห็นโลกกธาตุทั้งหลายคือตาทิพย์ของพระองค์เนี่ยนะมองเห็นทั้งโลกที่เรียกว่าโอกาสโลกนะมองเห็นโอกาสโลกทั้งปวงเนี่ยนะคำว่ายิ่งกว่านักดาราศาสตร์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ติดเลยนะเปรียบเทียบกันไม่ติดเลยกับกลุ่มนักดาราศาสตร์เพราะนั้นพระองค์มองเห็นลักษณะของเรียกว่าสังสารวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะ มองเห็นโลกยธรรมสารพัดชนิดเมื่อพระองค์มองเห็นอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์จึงสามารถที่จะอย่างรู้หมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ตามภพภูมิต่างๆอยู่ตามจั ก, กรวาลต่างๆพระองค์ก็สามารถเอาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมาบอกมากล่าวเปิดเผยถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม แล้วพระองค์ก็ยังรู้ว่าโมเสัตว์ทั้งหลายที่จุติปฏิสนทิเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลทั้งหลายเป็นต้นเป็นอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลด้วยอํานาจของทิพจักสุเพราะพระองค์มีวิชาคือทิพจักสุนั่นเองทีนี้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจักสุอันต่อไปก็คือพระองค์มีปัญญาจักสุพระองค์นี่มีตาปัญญาก่อนหน้านี้เราบอกว่าพระองค์เนี่ยมีตาเนื้อที่งดงามแล้วก็มองเห็นได้อย่าง ไม่ติดขัดม อ, อ ม, มองเห็นมีตาทิพย์มองเห็นหมู่สัตว์ที่จุติและอุบัติมองเห็นภาพในหมื่นโลกธาตุเป็นต้นเนี่ยนะนี่มาดูว่าพระองค์นี่มีปัญญาตาคือปัญญานี่เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระองค์นี่มีเป็นผู้มีมหาปัญญาเรียกว่ามหาปัญญาแปลว่ามีปัญญาใหญ่มีปัญญาอย่างกว้างขวางปัญญาของพระองค์นี่ร่าเริงมีปัญญาที่ว่องไว มีปัญญาที่ข่มกล้ามีปัญญาเป็นเครื่องทําลายกิเลสและก็มีปัญญาที่ฉลาดรอบรู้ในประเภทของปัญญานั้นความที่พระองค์นี่เป็นผู้ฉลาดในประเภทของปัญญาเนี่ยพระองค์จึงสามารถบอกว่านี้เป็น สุตมะยปัญญานี้เป็นสีละมะยปัญญานี้เป็นสมาธิภาวนามะยปัญญานี้เป็นธรรมทิฏฐิญาปัจยปริกหายานสัมมาสนาญานอุทยภัยญาณวิปัสนาญาณเนี่ยนะโคตรภูญาสังคารุเปกขาญาณเป็นต้นพระองค์จำเนกยญาณทั้งหลายนะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาแตกฉานเพราะพระองค์บรรลุถึงปฏิสัมพิทาทั้งอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิโรติ และปฏิภาณปฏิสัมิทาพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาคือมีเวสารัชยานญามที่ทําให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้าในสัมมาสัมพุทธปิตินยาขีนาสวะปิตินยานิยานิกธรรมเทศนาแล้วก็ธรรมที่ไม่ณนะอันตรายิกธรรมเทศนาพระองค์นี่มีปัญญาที่แก่กล้าแตกชานแล้วก็ทรงไว้ซึ่งกําลังคือปัญญาสิบประการ ก็เนื่องจากพระองค์นี่เป็นผู้มีมหาปัญญานี่ยแหละมีปัญญาที่กว้างขวางปัญญาของพระองค์นี่ร่าเริงแล้วก็ว่องไวคมกล้าทำลายกิเลสสารพัดชนิดแตกฉานในประเภทของปัญญาสารพัดอย่างเลยนะแล้วก็ปัญญาของพระองค์นี่แตกฉานคำว่าน้อมไปเพื่อจะรู้อัดก็เห็นอัดน้อมไปเพื่อจะรู้ทำก็เห็นทำน้อมไปเพื่อจะรู้นิรุตก็เห็นนิรุตเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปฏิภาณแล้วก็แตกฉานพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ มีปัญญามากอย่างนี้เนี่ยนะแต่ชานด้วยอนุภาพของปัญญาเนื่องจากมีปัญญามากจึงเป็นผู้ที่องอาจเนี่ยเป็นบุรุษที่องอาจเป็นบุรุษผู้กล้าเหมือนราชสีเป็นบุรุษผู้เป็นหน้าคือเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยนะประเสริฐกว่าผู้บุคคลทั้งหลายพระองค์จึงเป็นบุรุษอาชาในเปรียบเหมือนม้าอาชาในยที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเพรดังนั้นพระองค์จึงเป็นบุรุษผู้นําธุระไปเนี่ยนะ เพราะพระองค์มีพระยานไม่มีที่สุดมีพระเดช ค, คือตบะไม่มีที่สุดมีพระยศไม่มีที่สุดพระองค์เป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยโลกิยาซับและโลกุตระซับ พ, พระองค์มีรับมากนับว่าเป็นผู้ที่มีรับและพระองค์ก็เป็นผู้นำนำเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกพระองค์เนี่ยำไปให้วิเศษนำไปเนืองๆและพระองค์ก็ทาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเนี่ยนะ คือความที่พระองค์มีปัญญานั้นอันหนึ่งพระองค์มีปัญญาที่เรียกว่ามหากรุณาสมาบัติยานมีปัญญาที่ประกอบด้วยความการุณากับสัตว์ทั้งหลายมองเห็นความทุกข์ความยากความลำบากของสัตว์ทั้งหลายที่อากูลอากูลปฏิกูลไปด้วยชาติชราและมรณะเกลือกล้วยอยู่ในบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ ซึ่งเปรียบเหมือนโรคทางใจเปรียบเหมือนลูกศ้อนที่ปักทิมแทงในภายในพระองค์มองเห็นความทุกข์ยากของเขาทั้งหลายพระองค์ก็แนะนําให้เขาเข้าใจนะให้เขาได้รอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้ให้เขาได้ละสิ่งที่ควรละให้เขาเจริญสิ่งที่ควรเจริญให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติในธรรมที่นําออกจากทุกข์พันพระองค์จึงแนะนําให้เขาเพ่งให้เขาสํารวจตรวจตราพันพระองค์เนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ทําให้เขาทั้งหลายเลื่อมใส ขณะเดียวกันพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ทรงยังมัตที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นของพระองค์ผู้มีปัญญาเนี่ยนะพระองค์จึงสร้างอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเปรียบเหมือนสะพานนําไปสู่อมะตะเปรียบเหมือนเรือที่นําข้ามฟ้าไปสู่ฝั่งที่ปลอดภยัยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มี ปัญญาจึงจำเนกวันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญามากนี่แหละพระองค์จึงสามารถสร้างสะพานจากโลกีะสู่โลกุตระสร้างสะพานเทวันที่นำออกจากทุกเปรียบเหมือนสร้างยานที่นำออกจากสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะสิ่งที่เป็นภัย พระนั้นพระองค์จึงสามารถสร้างอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยลําพังพระองค์เองนะเพราะพระองค์สร้างสติปัฏฐานขึ้นด้วยเรี่ยวแรงพลังด้วยแรงของบุญของพระองค์เนี่ยนะสร้างสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงและองค์มรรคทั้งหลายเมื่อพระองค์ทําสําเร็จให้บริบูรณ์ด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกนะนะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครบอกเลย ไม่มีใครที่จะบอกข้อปฏิบัติวิธีการปฏิบัติที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ในมัศทั้งหลายว่านี้เป็นทางนําไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนี้เป็นทางมาสู่มนุษย์สุกติโลกสวรรค์นี้เป็นทางแห่งพระนิพพานเพราะพระองค์เนี่ยรอบรู้ในกองมัศฉลาดในมัศฉลาดในหนทางเรียกว่าฉลาดในทางที่จะทางในโลกนี้ทางในโลกหน้าเพราะพระองค์รอบรู้โลกนี้โลกหน้าทั้งหลาย ขณะเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะพระองค์เนี่ยรู้จักทางที่นำให้ออกจากทุกเนี่ยนะพระองค์จึงบอกจึงสอนแนะนาเกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคให้รู้พระองค์จึงสอนให้เขาเนี่รู้มรรครู้แจ้งมรรคฉลาดในมรรคสาวกทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติดำเนินตามอริยมรรคเดินตามมรรคเหล่านั้นในภายหลังเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้อยู่พระองค์ทรงเห็นอยู่เนี่ยนะเป็น ก็รกว่าทรงรู้อยู่ชื่อว่าทรงรู้ทรงเห็นอยู่ชื่อว่าทรงเห็นเนี่ยนะชาณาตาปั ส, สตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะเนี่ยนะชาณาตาก็คือผู้ทรงรู้อยู่เนี่ยนะปั ส, สตาก็ผู้เห็นอยู่ด้วยเวสารัชยานเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงเห็นพระองค์เป็นผู้ที่มีจักษุคือตาปัญญาพระองค์มียานพระองค์มีธรรมแล้วก็มีคุณธรรมที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ตรัสบอกธรรมนะ บอกธรรมก็คือบอกอริยสัจธรรมบอกว่านี้ควรกำหนดรอบรู้นะนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรละนี้ควรทำให้แจ้งนี้ควรเจริญนี้ทำเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากอันนี้เป็นเหตุให้เสื่อมนี้เป็นเหตุให้เจริญเนี่ยนะนี้ทำให้เกิดขึ้นได้ยากแต่นี้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้บังเกิดขึ้นนั้นพระองค์จึงบอกบอกทั่วแนะนำประโยชน์และประธานอมะตะทมให้เนี่ยนะประธาน โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลและพระนิพพานสําหรับผู้ที่มีบุญวาสนาและอุปนิสัยประธานสกธาคามีมักสกธาคมีสกธาคามีผลและพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมักผลเหล่านั้นมั้นพระองค์ประทานอนาคามีมักอนาคามีผลและพระนิพพานที่เป็นอารัมมณปัจจัยของอาริยมักเหล่านั้นพระองค์ประทานอรหัตตมักอรหัตตผลและอมตะธรรมที่เป็นอารมณ์ของพระนิพพานเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของมักผลเหล่านั้น พระองค์จึงเป็นพระธรรมสามีเจ้าของแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเจ้าของแห่งโลกุตระธรรมทั้งปวงเจ้าของแห่งโพธิปักฉิยธรรมทั้งปวงเจ้าของพระพุทธเรียกว่าพระธรรมราชาเนี่ยนะเป็นเจ้าของแห่งธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็สําเร็จโดยธรรมเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างบารมีมาจนได้สําเร็จอมตะธรรมขณะเดียวกันพระองค์ก็เสด็จไปอย่างนั้นนะเสด็จไปตามธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ เพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมบูชาธรรมไปเพื่อนอบน้อมพระธรรมเชิดชูพระธรรมคารพพระธรรมเพราะฉะนั้นสรุว่าารรร am, ธรรม เ, เหล่าใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทําให้แจ้งไม่ถูกต้องไม่ได้สัมผัสไม่มีเลยเพราะสิ่งทั้งปวงพระองค์รู้พระองค์เห็นพระองค์ทราบพระองค์ทำให้แจ้งนั้นคุณธรรมทั้งปวงที่อยู่ในระดับสูงพระองค์ได้ทําให้แจ้งสัมผัสถูกต้องหมดแล้ว นะด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยนะด้วยอนุภาพพระปัญญาจักสุของพระองค์เนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีพระปัญญาจักสุเนี่ยนะทั้งหมดพระองค์จึงรวบรวมรอบรู้สิ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทำทั้งหมดที่อยู่ในอดีต ท, ทั้งหมดก็มาสู่คลองปัญญาของพระองค์ทำทั้งปวงที่จะมีต่อไปในอนาคตก็มาสู rushing, ่คลองแห่งปัญญาของพระองค์เนี่ยนะ สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งมวลในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้สรรพสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ก็มาสู่คลองแห่งปัญญาของพระองค์ผู้ที่ตรัสรู้แล้วโดยอาการทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทําให้แจ้งไม่ถูกต้องไม่สัมผัสรับ ร, บรู้สิ่งนั้นไม่มีเลยพระองค์รอบรู้สิ่งทั้งปวงโดยอาการทั้งปวง เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าบทธรรมเนี่ยนะบทแห่งธรรมสภาวะธรรมทั้งที่เป็นสังคตะธรรมหรืออสังคตะธรรมอย่างใดยอย่างหนึ่งที่ควรแนะนำที่เรียกว่ายายธรรมเนี่ยนะ